หลวงพ่อออกจากวัดไปนมนานคราวนี้จะ ก, กำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะกลับวัดวันนั้นวันนี้กลับไม่ได้เพราะอะไรเพราะไปกราบคารวะหลวงตาที่ท่านอาพาธตั้งแต่วันที่ที่สิบห้าพฤศจิกาไอ้หลวงพ่อจะไม่ผิดนะเดือนกว่าแล้วนะที่หลวงตาท่านอาพาธมาเนี่ยแต่ก็ดูๆแล้วก็ทรงๆ ส, งสุดๆทรงๆ จะว่าหายทีเดียวก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่บางทีก็ดีขึ้นชุดลงเอกหลวงพ่อจะอยู่ที่นั่นที่บ้านตาทายาโยมลูกหลานก็อยากจะฟังอาการอาพาธขององค์หลวงตาเป็นยังไงบางทีทางหมอทั้งพยาบาลเขาก็พูดตามหลักวิชาแพทย์พูดชาวบ้านก็ไม่เข้าใจ นี่เขอยากจะให้โรงพอบชี้แจงให้ฟังหลวงพอก็เอาพูดออกทางโทรทัศน์ทางวิทยุเป็นระยะระยะแต่เมื่อวานในหลวงพอก็ออกอีกเหมือนกันนะใครข่าวว่าเรียงลำดับหลวงตาในทำไมไปโรงพยาบาลสิทธิราชทั้งที่หลวงตาปฏิเสธมาหลายครั้งต่อหลายหนแต่คราวนี้ทำไมจึงได้ไป มีลูกศิษย์ลูกหาอุ้มท่านไปหรือเปล่าในโดยที่ท่านไม่พอใจกนานาจิตต่างนานาทัศนะหลวงพ่อก็เลยชี้แจงเมื่อวานนะบอกว่าวพวกเราคณะศิษยานุศิษย์จะทําอะไรกับองค์หลวงตาต้องได้รับอนุญาตจากองค์หลวงตาเสียก่อนจะไม่ทาแบบตัวเองต้องการอยากจะทําอะไรก็ทําแบบระลาบละลวงไม่มีสูงไม่มีต่ํา ไม่มีความเคารพเราจะไม่ทำโดยเด็ดขาดก็องค์ลงตาเพราะองลงตาถ้าจะเปรียบมันนั่นแหละคือไฟอย่าไปเล่นกับไฟมันพร้อมที่จะตกนรกเอเวจีได้ง่ายๆเพราะนั้นเราจะทำสิ่งไหนกับท่านต้องขออนุญาตแล้วต้องขอแล้วขออีกที่ท่านจะไปอุดรเราก็ขนาดจะไปอุดรไป สายเอ็กซาเลย์คอมพิวเตอร์เท่านั้นล่ะที่แรกก็ขอแล้วขออีกพอท้าแก่สมหมายขอได้เอาไปโอ้น้าว่าเป็นฮีโร่พอต่อมาไปขออีกหงายหลังอีกเหมือนกัน <c oughs> คำว่าฮีโร่คำนี้ไม่มีกับสำหรับวง์หลวงตาเท่าั้นแะขอครั้งหนึ่งได้แต่ขอครั้งที่สองต่อไปอย่าไปคิดเมือนก้นเถอะหลวงพ่อเนี่ยรู้่็จะอยู่กับองค์หลวงตามาตั้งสิบกว่าปี เพราะนั้นท่านไม่คุ้นไม่เชื่องกับใครทั้งหมดมีแต่เหตุผลของท่านเท่านั้นเองที่ท่านจะตัดสินใจและท่านจะทําอะไรเพราะนั้นในคราวนี้ก็เหมือนกันจะกราบราถนานิ ม, มนต์ไปอุดรไปศรีนครินไปที่ไหนไหนท่านก็เฉยไม่ไปยุ่ง mm. แต่คราวนี้คุณนเรศขึ้นมาเมื่อวันทันที่สิบกธันวาพุทธศักราช25งพห้าบสาม เึ้นมาตอนฉันจังหันเสร็จประมาณจากเก้านาฬิกา ก, กว่าเกือบสิบนาฬิกากุณเรษฐนั่งเครื่องมาแล้วก็มานั่งอยู่ข้างๆขณะนั้นหลวงพ่อก็นั่งอยู่ข้างหลงตาพอฉันจะหันเสร็จแล้วก็ตามปกติหลวงพ่อจะไปวันละสามสีเที่ยวมันเช้ามืดก็ไปกราบคาวะท่านบางทีก็ได้พบบางทีก็ท่านก็อยู่ในห้องแต่ก็ต้องไปถามไทยว่าเมื่อคืนนี้เป็นยังไง ถ่ายกี่ครั้งปัสสาวะกี่ครั้งท่านมีไข้ไหมความดันอะไรหลวงพ่อจะต้องถามพยาบาลที่เฝ้าอยู่ตลอด24ชั่วโมงกับคณะแพทย์บางทีมีคนถามหลวงพ่อก็จะได้ตอบเขาได้ว่าออวันนี้ดวงตาเป็นยังไงตามที่ได้สืบสอบจากคณะแพทย์แล้ว อ, อันนี้คือตอนเช้าพอฉันยังหันเสร็จแล้วก็เข้าไปกราบท่านอีกว่าวันนี้ท่านฉันอาหารได้ไหม ฉันเป็นยังไงเป็นยังไงอาการของท่านวันนี้อันนี้ก็หลวงพ่อก็เข้าไปกราบถามท่านอีกพอตอนบ่ายโมงบ่ายสองโมงหลวงพ่อก็เข้าไปอีกเเป็นยังไงดวงตาเป็นยังไงวันนี้มีใครมาบ้างรักษาอย่างไงรักษายาอะไรอาการดีขึ้นไหมแล้วก็นั่งประมาณสักชั่วโมงหรือว่ายี่สิบสามสิบนาทีทำการอันควรแล้วก็ออกมา แล้วก็ตอนเย็นเขาไปอีกพอมืดคำ่ำเขาไปถามอีกเป็นยังไงตอนคำ่ำอาการของลงตาเป็นยังไงเด็กออกมานั่งสนทนากับพวกคณะแพทย์หมอบางทีก็นนทุ่มสองสามทุ่มแลยกลับที่พักนี่แหละคือหลวงพ่อไปอยู่บ้านตากตอนเช้าก่อพอก่อนจะฉันจังหันถ้ามีครูบาอาจารย์มาหลวงพ่อก็ แจ้งข่าวเออหลวงตาเมื่อเช้านี้ท่านไม่สบายนะท่านป่วยหรือว่าท่านอาการดีขึ้นท่านสุขภาพหรือว่าท่านพูดคุยได้นะก็แจ้งข่าวแต่ถ้ามีเวลาเขาก็เอาไม้เข้ามาอีกเมื่อฉันจังหันเสร็จหลวงพ่อชนะี้แจงการอาพาธขององค์หลวงตาเมื่อวานเนี้ยมาถึงวันนี้ท่านเป็นยังไง อันนี้คือหลวงพ่ออยู่บ้านตาโดยมากจะทําอย่า ง, งานั้นถ้ามีโอกาสนะแต่คณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานบางคนก็โอ้หลวงพ่ออินอยากดังเลย ห, หลวงพ่อกว่าดังกับดับมันอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละแต่ถ้าเอาแบผู้ใดไม่อยากจะฟังก็ไม่ว่ากันนะลูกหลานเนะเอายกมือขึ้นสิถ้าใครอยากจะฟังหลวงพ่ออินพูดก็ยกมือเพียบเต็มศาลาตรงนั้นแต่ใครจะไม่อยากฟัง ใครจะมาอยากรู้ไปถามใครถ้าถามใครกับพูดอุบัติบัติขอคำคำแล้วก็ไปแต่นี่หลวงพ่อบอกให้ฟังเรียงลาดับให้ฟังาอาการของลวงตาเป็นอย่างงี้อย่างงี้นะแต่ละวันเพราะทุกคนก็รักเคารพพงหลวงตาไม่แพ้กันหลวงพ่อกรรักเหมือนกับพวกชูเจ้าทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายผูอยย้อยู่ไกลอยู่นู่นอยู่ต่างประเทศที่เป็นลูกศิษย์ลุงหาก็รักเคารพในหลวงตา พอพูดเข้าไปนั่นแหละกระสงขึ้นดาวเทียมออกทางอินเทอร์เนต็ตไปดังไป ท, งทั่วโลกว่างั้นแหละที่หลวงพ่อพูดนะใครๆว่าใครก็อยากจะทราบใครก็อยากจะรู้ว่าหลวงตาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นมังกรหลวงพ่อเองมาเห็นจุดนี้แหละพยายามกันกรองคําพูดจะไม่ให้กระทบกระเทือนกันกรองที่ให้ไม่ให้มันเสียหายในองค์หลวงตาไม่ให้เสียหายในหมู่คณะพยายามพูดให้ เป็นธรรมเป็น ก, กลางๆงออกไปให้ผู้ฟังให้เข้าใจว่ามีอะไรแต่สรุปแล้วก็คือเน้นหนักลงวัดให้มีความพร้อมเพียงสามัคคีกันนะลูกหลานลูกศิษย์คณะศิลป์หลวงตาให้หนักแน่นอย่ามองกันในแง่ร้ายให้มองกันในแง่เหตุแง่ผลทุกคนมันมีผิดมีถูกโดยกันทั้งหมดนั่นแนหะต้องให้อภัยกันไม่ใช่ว่าเล็กๆน้อยๆก็มา ถือโทษโกรธเคืองกันไม่รู้จกจบเนเราไม่เลยมาเพื่อผูกพยาบาลอาคาตจองเวนกันนะเข้ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเข้ามาเพื่อศึกษาแล้วก็ได้นำทำคำสอนองค์หลวงตาจากนั้นเมื่อได้ทำคำสอนองค์หลวงตาไปแล้วก็ไปนาไปประพฤติปฏิบัติปรับปรุงกายวาจาใจของเราไม่ใช่ว่าเราเป็นกากระเกาะภูเขาทองแล้วก็ลืมตัวว่าข้านี่เป็นทอง เหมือนกับภูเขานะไม่ใช่นะถ้าบินออกจากภูเขาเมื่อไรเมื่อนั้นเนะ่ะตัวดำปีถ้าไม่ปรับปรุงแก้ไขใจของตอนเองค่งจะกายดำปีก็แต่ใจของเราเป็นทองฮนะอยากจะให้อผิวหนังสีดำแต่ใจเป็นทองอนะ่ะอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นเพราะเราเข้ามาศึกษาปรับปรุงร่างกายนะ่ะปรับปรุงไม่ได้แต่ใจของเราปรับปรุงได้แก้ไขได้ ให้เป็นพระที่ดีได้ให้เป็นอริยะบุคคลได้ใจของเราแต่ส่วนกายเนี่ยมีแต่แก่เจ็บตายในที่สุดไม่มีใครที่จะเปลี่ยนแปลงมันได้แต่ส่วนจิตใจนั้นเปลี่ยนแปลงได้ อ, นนอันนี้คือหลวงพ่อบอกกล่าวคณะสิทธญาธิษฐ์ทั้งหลายให้มีความพร้อมเพียงสมัครีกันเน้นจุดนี้บ่อยเพราะเหตุไรเพราะหลว ง, งพ่อคิดว่าลูกศิษย์ลูกหาหลวงตาเนี่ยมาก นาน า, นาจิตตังนานาทัศนะการที่จะเอาหลวงตาไปนี่กัอย่างว่านกลุ่มหนึ่งก็เห็นด้วยกลุ่มหนึ่งก็ไม่เห็นด้วยกลุ่มพวกอนุรักษ์ก็บอกว่าเอาหลวงตาไปทำไมหลงตาเป็นพระป่าเอาไปในอย่างนั้น่ะเอาไปปูยี่ปูยาทำให้หลวงตาลำบากใจทำไมไม่ให้หลวงตาพักสบายแต่กลุ่มหนึ่งก็บอกทำไมไม่เอาหลวงตาไปโรงพยาบาลที่ดีด ทำไมไม่รักษาสุขภาพทำไมทำมาลุมมตุ่มอย่างเนี้ยหมอบ้านนอกอหมอไ ม, ไม่เป็นที่ยอมรับของอชนชั้นผู้ใหญ่มีแต่เนี้ยหมอตาสีตาสาตะมีตมารักษาได้ยังไงทำไมลูกศิษย์ลูกหาหลวงตาอยู่ใกล้ๆหลับหูหลับตาได้ยังไงทำไมไปกอดหลวงตาไว้อย่างงั้นทำไมไม่ส่งไปโรงพยาบาลดีด โรคทุกวันนี้เขาไปจัดรวดดาวเทียมเขาไปกันพอแรงแล้วทำไมยังมาเอายาลากพงลากไม้ยาที่เอามารักษาลงตาคิดได้ึ้นมากะเอามารักษาทำอย่างนั้นได้ยังไงอันนี้ก็คือพวกที่อยู่ใกล้เหตุการณ์อย่างลุงพ่อเดี๋ยะที่เป็นพระแล้วว่าเป็นผู้ใหญ่ที่มีอายุพรรษาลองจากหลวงปู่ปุรีหลวงปุรีท่านก็ไม่พูดอยู่แล้วท่าน แต่ไหนแต่ไรท่านก็ใหม่พูดมีแต่หลวงพ่อท่านะมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังนประสานคนนั้นพูดกับคนนี้ี่พูดที่สุดอืมพอคุณนเรศเอ่พูดที่ทอดกระถินเมื่อปีที่แล้วเนะี่ยปีห้าสามที่ผ่านมาเนะี่ยขึ้นมานั่งเครื่องขึ้นมาก็มากราบพระราฒนาหลวงตาหลวงตาครับ ผมขึ้นมาจะกล่าวประรณาหลวงตาไปโรงพยาบาลศิริราชแต่ท่านก็ไม่ได้พูดนะแต่ให้ผู้กํากับเป็นคนพูดแต่นันเลศยังกึ้มานั่งอยู่ข้างๆหลวงตานั่งคู่เข่า่วยพระสงฆ์ก็เป็นสิบกว่าองค์หลวงพ่อก็อยู่ในเหตุการณ์อยู่ในนั้นด้วยกล่าวปรารนาหลวงตาหลวงตาก็ขึ้นมานั่งแล้วก็นั่งช่ยที่แรนอนอยู่นะพอนอนจะมาขึ้นมาก็มานั่งนั่งช่ย ไม่พูดอะไรพอพูดออกมาท่านว่าถ้าเราไปมันยุ่งนะท่านว่านะเห็นไหมคำพูดของท่านถ้าเราไปมันจะยุ่งนะไม่ยุ่งครับหลวงตาเพราะไปวันเดียวไปวันนี้ก็กลับเลยแต่ตามไม่จริงคิดดูมันจะกลับได้อย่างน้อยถึงจะไปเครื่องก็กลับยากเหมือนกันนะแต่พูดมันพูดได้แต่ปฏิบัติมันอย่างว่านั่นนะ จะขอให้หลวงตาไปก่อนกันคงจะคิดอย่างนั้นน่ะผู้ที่การปรารถนาแต่หลวงพ่อไม่ไม่แสดงความคิดเห็นเพราะหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระถ้าหากพระไปกราบปรารถนาท่านเนี่ยหลวงตาจะแสดงความเด็ดเดี่ยวให้เห็นน่ยกลัวตายเหรอทําไมไปทําไมไม่ไ ป, ไไไปถ้าพระเข้าไปกราบปรารถนาท่านจะพูดลักษณะอย่างนั้นแสดงความเด็ดเดี่ยวให้พระได้เห็นเล ย, ยงั้น เพราะนั้นหลวงพ่อรู้ว่าท่านจะออกมาไม่ไหนเพราะนั้นหลวงพ่อยังไม่ไม่กราบพระราธนาเหมือนกันที่เห็นด้วยที่ถ้าใครกราบพระราธนาได้ผู้กํากับก็ขอแล้วขออีกนันเลดก็นั่งอยู่นั่นน่ะนั่นเลดเขาไม่ได้พูดอะไรหรอกพูดไม่ออกถ้าไม่เคยพูดเข้าไปใกล้หลวงตาแต่หลวงพ่อก็เลยหลวงพ่อเห็นพูดนานหลวงพ่อก็มีธุระก็เลยมุดหัวลงใต้เตียงนตีนหลวงตาถ้าจะพูดบอก ผู้กำกับนิมนต์หลวงตาให้ได้เนาะใเดี๋ยวก็ท่านก็จะได้ยินเสียงหลวงพ่อใช่ไหมหลวงพ่อมดมดุหมดหัวลงสักหน่อยผู้กำ ก, กับนิมนต์ให้ได้นะผู้กำ ก, กับนะหลวงพ่อก็ถอยเลยถอยหลังออกมาก็กลาบคารวะท่านออกมาท่านก็ไม่พูดเลยเฉยอีกโอ้นานจากนั้นไปออกไปข้างนอกการลดก๊อปก็มาถึงพอมันใกล้ทเที่ยงแลเนี่ยเก้าโมงสิบโมง ท่านก็นั่งออกไปรถนู่นเกือบถึงบ้านตัดพวกคณะสัตยา ญ, ญาติโยมลูกหลานเดินตามหลังเป็นพลุนไปว่างั้นตามหลังอยากจะให้ท่านไปเปลี่ยนบรรยากาศดูนั่นดูนี่พอกลับมาเข้ามาไม่นานเออเอาจะไปสิริราชเขาไปเท่านั้นแหละก็เลยปุณณะเลศก็เลยประ ส, สานไปทางทหารเรือเพราะอาจารย์ปิยรสเนี่ยเป็นหมอทหารเรือเคยโทรไปทหารฐานเขาก็รับ เครื่องบินลำนี้คือว่าสิบสี่ยี่สิบที่นั่งแต่เครื่องบินเป็นเครื่องบินที่รับคนป่วยของทหารเรือจากนั้นพอเสร็จแล้ว ก, ก็เตรียมบินขึ้นมาจากอุตะเปาเลยมาลงที่มาลงที่อุดรมาถึงอุดรสิบโมงพอลงตาเสร็จแล้วก็ออกจากบ้านตากไปประมาณชั่กเก้านาฬิกากว่ า, วาจากนั้นก็ไปขึ้นเครื่อง มีพระติดตามไปสี่องค์ข้างล่างก็มีหลวงปู่ลนะีพอทราบข่าวว่าหลวงตาจะไปสิบโมงหลวงปู่ลีฉันยังหันเสร็จตั้งแต่แปดโมงหลวงปู่ก็ขึ้นรถวิ่งตามดินเหมือนงั้นแต่หลวงตาก็บินไปทางอากาศเมันงั้นแต่แต่หลวงพ่อวันนั้นนะ่ะเขานิมณฑลกรุงเทพเมืวันที่ยี่สิบเจ็ดในมณฑลกรุงเทพก็ขึ้นนะ่ะน้องสาวของคุณนเรศนั่นแหละแม่ของคุณนเรศ อายุเก้าสิกว่าปีแล้วเขาจะทำบุญให้โยมแม่น้องสาวคุณเอเลสน้องสาวคนฉุดท้องนะหลวงพ่อก็เลยเอารับก็เลยบินจากอุดรตั้งแต่เช้าไปถึงที่น่นเกือบเก้าโมงมาหลวงพ่อกับฉันจังหันสายแล้ววันนั้นพอไปเส็จแล้วก็ญาติโยมก็กถวายอาหารมีพระทั้งหมดสิบระองนี่ที่ไปนั่งรอหลวงพ่ออยู่ที่กรุงเทพ พอฉันเสร็จหลวงพ่อโอ้แต่จะอยู่ต่อไปเราก็ไม่ได้เตรียมบริขารอะไรลงมาเลยมีแต่เอาบาดกระพาก ค, ครองท่านัเองหลวงพ่อก็ตีรถกลับเอารถเสียต้อมกลับมากับท่านรัตนากับท่านหมอพอจากนั้นก็พอมาถึงวัดเสร็จแล้วก็นอนพักผ่อนเอามีแรงสักหน่อยกลัวโซเฟอร์มันจะเหนื่อยกันไป จากนั้นใส่บริการใส่รถฟ อ, อกอีกเว่งกลาบอีกลงไปชันอยู่ที่ขอนแก่นออกจากตรงตีรถยาวเข้ากรุงเทพเข้าไปเขับไปร่วมไปชุมที่โรงพยาบาลศิริราชเขาก็รอคอยหลวงพ่อนะประมาณบ่ายโมงตรงพ่อไม่ต้องคอยอ่ไปชุมกันเลยคณะแพทย์เขาบอกว่าทั้งยังไงต้องคอยหลวงพ่อก่อน หลวงพ่อต้องรับรู้เออเอาก็ดีเหมือนกันหลวงพ่อก็เลยไปไปถึงบ่ายโมงกว่าก็เข้าห้องประชุมเลยมีคณะบดีมีนายแพทย์ทุกแผนที่จะรักษาหลวงตาพอหลวงตาไปวันที่ยี่สิบเจ็ดเนี่ยไม่ได้ทําอะไรนะไม่ได้ทําอะไรมีแต่ไปดูอาการไปวัดไปนั่นพจนแพทย์ก็ยังไม่พร้อมพอหลวงตาบอกทางนี้ก็ปุปปับไปจากนั้นก็ พอไปพักวันที่27วันที่28ตอนบ่ายหลวงพ่อไปถึงจากนั้นคณะแพทย์คณะพดีเขาคานั่งเขาเรียกทุกแผนกแผนกติดเชื้อแผนกทำแผลเท้าแผนกประสาสตวิทยาเกี่ยวกับการแขนขาหมดแรงนะ่แต่พวกแผนกทางเดินอาหารทางเดินปันสสาวะทุกแผนกเหมืนนั้น ที่มาประชุมกันมีแต่ศาสตราจารย์ทั้งนั้นเลยมีแต่เนี่ยนะเป็นแพทย์ของฝ่ายหญิงอะหลวงพ่อเข้าไปแล้วเอออบอุ่นนะคขออนุบาลพระเข้าไปห้าหกองที่พูดที่เกี่ยวข้องเท่านั้นจากนั้นเขาก็พูดให้ฟังว่แนวการรักษาจะรักษาอย่างไรเนี่ยเราก็ฟังฟังฟั ง, ฟงตามหลักวิชาการของเขาจากนั้นเขาก็บอกว่าเราจะรักษาองค์หลวงตาเนี่ย เราจะรักษาอย่างไงใครจะเป็นคนอนุญาตในการรักษาหลวงตาคณะบดีแพทย์นั่นก็ถามแล้วก็มองมาหลวงพ่อก็มองมอ ง, มองเห็นพวกน้องๆพวกพระท่านจุดใจพวกนั้นก็เป็นรุ่นน้องหลวงพ่อทั้งหมดหลวงพ่อก็บอกว่าการที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตใครจะเหนือหลวงตาไม่ได้หลวงตาเท่านั้นจะอนุญาตให้ทําหรือไม่ให้ทำให้รักษาหรือไม่รักษา พวกเราไม่สามารถที่จะตัดสินใจแทนหลวงตาได้เพราะนั้นขอให้คณะแพทย์พระสงฆ์ร่วมกันจะรักษาอะไรก็ ข, ขอให้กราบอลาธนาขอท่านสกก่อนเมื่อท่านอนุญาตแล้วถึงรักษาท่านได้ถ้าท่านไม่อนุญาตพระสงฆ์ก็อนุญาตไม่ได้ไม่มีใครเป็นเจ้าของแต่เมื่อหลวงตาอนุญาตแล้วจะใครจะเป็นผู้เซ็นรับรอง หลวงพ่อก็เลยเอาเรื่องเส้นรับรองมอบให้หลวงพ่อสุดใจเพราะท่านเป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดให้หลวงพ่อจุดใจเป็นผู้เซนเส้นรับรองตามกฎหมายก็เป็นที่ยอมรับกันนะหลวงพ่อเสนอวนะัอ้นั้นนั้นเขาประชุมกันพอสัช่วงระยะหนึ่งเขาเออให้พระออกเลยเอาแต่เฉพาะแพทย์แพทย์เฉพาะทางอย่างเดียวเขาก็ปรึกษา หาฤกษ์กันวางแผนการรักษาโอ้ทาเป็นเป็นระบบระเบียบจริงๆนะโรงพยาบาลใหญ่ๆไปเห็นแล้วไม่ใช่มาลุ่มมาตุ้มมาลุ่มมาตุ้มอย่างพวกเราไปชมกันนะจากนั้นก็เตรียมการรักษาองค์หลวงตาแต่ดีขึ้นไหมสรุปก่อนรู้สึกว่าดีกว่าเมื่อองค์หลวงตาอยู่ที่วัดป๋าบ้านตาดรู้สึกว่าท่านอ่อนเพลียมาก แต่พอท่านไปได้รับการรักษาจุดนั้นก็รู้สึกว่าดีขึ้นหลวงตาจะจะกลับพอตอนเชา้าอาจารย์มณิพลก็บอกว่าเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีพระบรมราชินีจะเสด็จมากราบหลวงตาแต่ฝ้ายหญิงก็อยู่ในห้องนั่นแหละพระบรมราชินีถวายเจตปัจปจัยจองค์หลวงตาห้าแสนจากนั้นท่านก็ได้สั่งตั้งแต่เมื่อคือนะน่กองทัพอากาศ เครื่องบินลำนี้เอารถเข้าไปได้ไปก็ไในดวงตาก็เลยเป็นนอนในท้องเครื่องบินวันนั้นก็ออกจากพพระปรเมราชินี์กราบองลงตาเสร็จแล้วก่อนแตน่นพวกคณะแพทย์ก็เตรียมพร้อมออกจากโรงพยาบาลตามกฎระเบียบของเขาเเซ็นออกท่านสุใจเป็นคนเซ็นถวายการรักษารักษาดวงตาเลยเพราะนั้นท่านสุใจก็ต้องเซ็น อย่านั้นก็ออกมาจากสิริราชก้า น, นาฬิกาหลวงพ่อก็ฉันอยู่สวนแสงธรรมฉันแบบสามสี่ห้าคำในนวันนั้นว่า ง, งั้นแต่ปกกระล่างบาทขนของเอออาตมาเจตุปัจจัยถวายมาเ่ให้ใชายปั๊มเป็นคนรับหลวงพ่อจะไม่ได้พูดอะไรในวันนี้นะหลวงพ่อจะรีบไปขึ้นเครื่องหรือรีบไปดูเครื่องซะก่อนถ้าว่าเครื่องพอที่จะไปได้ก็จะไปถ้าเครื่อง มันเล็กนะมันตั้งกับหลวงพ่อจะนั่งรถไปไปได้ทั้งสองทางนงะไปดูก่อนเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจะรีบไปด้านหน้าเลยรีบออกมาจากส่วนแจ้งธรรมมาจะน้ำบินเลยมากองธรรมอากาศมาก็เห็นเครื่องบินมาก่อนลงตานหน่อยหนึ่งว่จากนั้นลงตามาถึงจกนันก็ขึ้นไปเครื่องบินลํานี้รับได้ประมาณร้อยกว่าคนเลือกใหญ่พอสมควรแต่ก็เอาเปอย่างว่าด ใส่ขึ้นไปขึ้นเครื่องประมาณสักสิบนาฬิกากว่ามาถึงอุดอรสิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีจากนั้นก็รถโปร่งพยาบาลสูงอุดอรเขาไปรับจากนั้นก็มาส่งเข้าบ้านตาแต่ส่งเข้าบ้านตาที่ว่าจะทําที่กุฏิของหลวงตาเนี่ยเป็นห้องปลอดเชื้อแต่ทอนี้มันในช่วงที่เราสั่งมาจากกรุงเทพนั่นเป็นช่วงปีใหม่ ร้านค้าทั้งหลายเขาก็ไม่ไมเปิดร้านผลที่สุดก็เลยของไม่ครบของเพิ่งมาเมื่อวานนี่เองสั่ ง, งมาเขาก็ทำสองวันน่าจะเสร็จเงี้เดี๋ยวนี้ก็เลยเอามาพักอยู่ข้างนอกซะก่อนทำเป็นที่พักชั่วเขาวไว้ที่วัดป่าบรรตาดนะคงไม่สะดวกละตรงนี้เพราะห้องน้ำก็ยังไม่มีแล้วก็ลงตาก็พักอยู่ข้างนอกก่อน นี่แหละนี่แหละความเป็นมาที่ลุงตาไปสิริราชนะแต่นี้บางคนเขาก็บอกเอ๊ะทาไมลุงตาเอาไปสิริราชเอาไปทําไมเออลุงตาแก่ขนาดนี้แล้วทําไมจะให้ลุงตาทุกทรมานทําไมลุงตาเป็นผู้เด็ดเดี่ยวลุงตาก็ไม่ไปโรงพยาบาลอยู่แล้วทําไมพวกลูกศิษย์ริ้วล้อดเอ้อ ถามท่านไปยกท่านไปโดยที่ท่านไม่อนุญาตอย่างนั้นใช่ไหมอันนี้พูดได้เลยนะท่านคงมีเหตุผลของท่านเราไม่สามารถที่จะยังในความคิดเห็นของท่านได้อีกแต่หลวงพ่อ น, นึกเดาเอาว่านะในความคิดหลวงพ่อหลวงตาเป็นพระสาธารณะเป็นที่เคารพนับถือคนทั่วโลกก็ว่าได้ไม่ใช่ทั่วประเทศนะทั่วโล ก, กแต่ถ้าว่าหลวงตาไม่ไป คนกลุ่มนั้นอาจจะตำหนิบอกว่าทำไมงตาไม่ไปโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงมีใครบ้างกีดกันเอาไว้กันงตาเอาไว้ไม่ให้ไปในเมื่อไปรักษาแล้วพักเลยเจ็ดแปดวันถึงจะไม่ครบคอดก็เถอะได้แปดวันกับเพียงพอละ ว, ว่างตาเป็นอะไรในตรวจสุขภาพโรคตาเป็นยังไงคณะแพทย์ทักหมอมันเรมาลุมมาตุ่มกันตรวจพอสมควรแต่โรคตาก็กลับมาในพวกที่ จะจตำหนิว่าไม่ทําไมไม่เอาไปหาหมอดีๆนั้นก็หมดไปหมดความพูดไปบางสิ่งบางอย่างการรักษาสุขภาพผู้ป่วยเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ระดับนี้เราจะไปพูดอะไรให้ฟังหมดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปไม่ได้เอเขารักษาจะไงขนาดไหนอพอเป็นไปได้ขนาดไหนดีขนาดไหนอย่างนี้เอเป็นหน้าที่ของหมอ พวกเราก็เป็นหน้าที่ผู้ฟังจะนั่งเอาลงตากลับมาแล้วเนี่ยนี่แหละก็จะได้ปิดในความรู้สึกของคนชั้นสูงผู้ได้รับการศึกษาคนในโลกหรือคนในประเทศที่ว่านคนยุคนี้สมัยนี้จะหลดดาวเทียมไปถึงต่างดาวได้แล้วทำไมจึงเอามารักษาหลากไม้อย่างนั้นต้มยาอย่างนี้อยู่ยไม่น่าจะถูกต้องแต่เนี่ยเราสาดีที่สุดแล้ว แล้วเนี่ยเราเออกกลับมาเราก็มากลับมาก็ไม่เห็นเสียหายที่ตรงไหนสุขภาพของตาก็ดีดีขึ้นบ้างเอจะดีมากไหมจะว่ามากไม่ได้เพราะอายุโรงตาถึงขนาดนี้แล้วตังเก้าสิบแปดปีละปเีเดือนสิงหาที่ผ่านมาเก้าสิบเจ็ดปีเต็มแ้ย่างเก้าสิบแปดแล้ว<อ>ปีนี้กับปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่แล้วเนี่ยวันนี้นะวันนี้เป็นวันที่ วันที่หมกราพุทธศักราช2554แลห้าสบสี่วัด น, นี่นี่แหละที่หลวงพ่อได้บอกกล่าวให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายลทัองฝ่ายพระทั้งฝ่ายญาติโยมเนี่ยความเป็นมานถ้าจะพูดไปก็อีกยังอีกมากหลวงพ่อได้ไ ป, ไปเรียนรู้ไปสบการณ์อย่างเมื่อวานประชุมถึงสามเที่ยวตอนเช้าพระสงฆ์วัดต่างๆ ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาสํานักต่างๆมารวมกันแล้วก็ประชุมกันที่เราจะรักษาองค์โลกตาอย่างไรพร้อมกับกับคณะแพทย์ศูนย์อุดรกับศูนย์ขอนแกน่นที่รับไม้มาจากศิ ล, ลิราชเขายื่นไม้ให้เราก็รับไม้วิ่งต่อน่ะรักษาอย่างไงอันนียทางฝ่ายพระสูงต้องฝ่ายหมอก็ต้องประสานกันไม่ใช่ว่าต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทํทาทั้งฝ่ายพระก็เอาทางฝ่ายหมอก็เอาอันนี้ครับ หารือกันตอนเช้าสิบเอดโมงจบบโมงครึ่งคณะศิริราชมาอีกมาแนะนำจะรักษาองค์ลงตาอย่างไรเรื่องการถวายอาหารอาหารเสริมหรือยาก็มาประชุมกันอีกจนถึงบ่ายสี่โมงจากนั้นเรียกพระเข้ามาอีกพวกอุปธรรพรมปฐากลงตามันมีกี่ผัดมีอยู่สีผัดน่าจะเพิ่มเป็นหกผัดพอลงตาเป็นอย่างนี้ มันเหนื่อยนะแล้วใครเป็นหัวหน้าใครเป็นผู้ดูแลอจะก็แต่งตั้งกันขึ้นมาผลที่สุดนะก็เลยเอา พ, ะะพระเถระที่มีอายุพันษายี่สบสามสาิบพันษาสี่สิบกว่าพันษาอย่างหลวงพ่ออย่างหลวงปู่ไทยหลวงพ่อที่จะมาได้เอาให้เข้าเข า, เขาจะจัดนายพลเข้ามารักษาการรัฐบาลใช่ไหมผู้กมกับ ก็ไปเฝ้าในหลวงก็เอาเอาขั้นในพลใช่ไหมเออเขาคนนี้เขาจะเอาันดับเจ้าอาวาสเหงือนกันนะเน อ, อ่ยหลวงพ่อเนี่ยออไปทีละสององค์ไปผู้รับรู้รับทราบ เ, ออเฝ้าหลวงตาวันหนึ่งแล้วก็ออกไปแล้วก็สมภารอีกสององค์เข้ามาอีกรักษาการเออเอากี่วันเจ็ดวันถึงสิบ ว, วันก็ว่ากันไปท่านนอ่นั่นแหละเรืองี้กําลังกําลังอ่านกันอยู่เมื่อวานเนี่ยนี่แหละ คืออันนี้คือรักษาหลวงตาหลวงพ่อบอกว่าหลวงตานะหลวงตาเป็นผู้มีอุปการะคุณเป็นบุพการีนะทุกคนทุกองถ้ามอบหมายหน้าที่อะไรให้ทำต้องรับถ้าไม่รับตัดออกจากสารบุไม่ใช่ลูกศิษย์หลวงตาเพราะเหตุไรพ่พราะหลวงตาเป็นบุพการีของพวกเรา ใครจะหนักใจไม่ได้ถ้าเจ็บใครได้ป่วยเออไม่ว่ากันแต่ว่าถืออย่างอื่ น, เ ป, นเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าลงตาไม่ได้ไม่ถูกต้องทำไมจึงเป็นบุพการีพ่อแม่ของเราเนี่ยเป็นบุภาการีให้ร่างกายของเราตั้งแต่ศีรษะจนถึงเท้าร่างกายของเราได้ม า, มาจากพ่อแม่อันนี้คือบุภาการีในร่างกายส่วนจิตใจของเรา จะภาวนาอย่างไงจึงจะพ้นทุกจะไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏะสงสารอันนี้องค์หลวงตาให้พวกเราท่านแนะนําสั่งสอนพวกเราให้พวกเราพ้นจากทุกในวัฏฏะสงสารไม่มาเวียนไหวตายเกิดอีกเป็นอนันตการอันนี้ก็คือบุพภาการีที่ท่านให้ธรรมะถ้าบุพภาการีสองอย่างนี้ถ้ามาเปรียบเทียบชั่งน้ําหนักเสียกันแล้วบุพภาการีของครูบาอาจารย์ที่ให้ธรรมะเนี่ยประเสริฐกว่านะเลิศกว่า คือให้พ่อแม่ให้แต่ร่างกายของเราแต่นี่ท่านให้ทางจิตใจพ้นจากอาสวะกิเลสสอนให้พ้นพนทุกข์ในวัฏสงสารไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกอันนี้เป็นบุพการีที่เหนือกว่ า, าที่ท่านพ่อแม่ให้ก่อนก็จริงแต่ให้ร่างกายแต่ครูบาอาจารย์งองค์ลงตาเนี่ยด้านจิตใจเพราะนั้นท่านจึงเป็นบุพการีที่เลิศประเสริฐสำหรับ ผู้มีปัญญาผู้มีความคิดที่มีปัญญาอันลึกซึ้งอไตรตรองดูซิเหตุผลตัวเนี้ยอพวกเราคิดดูซิเพราะนั้นพวกเราทุกทูกท่านนะในเมื่อท่านเจ็บไครได้ป่วยท่านช่วยตัวเองไม่ได้ท่านเท่าแก่ชราก็เป็นหน้าที่ของลูกทุกคนนี่แหละลูกศิษย์ลูกหาทุกคนเนยต้องเคียงบ่าเคียงไหลกันอย่าไปบอกว่าหนักเบาถ้าใครหนักบอกมา ผู้ที่จะมาช่วยมากมีอยู่หนักไปซิเทาาของตัวเองไม่รู้จักถ่ายน้ําหนักให้คนอื่นนมิเตจะแบกคนเดียวมันหนักสถือว่าตัวเองเป็นบุคคลสําคัญเอจะเป็นบุคคลสําคัญอะไรทุกคนมีความรักเคารพในองค์ลงตาไม่แพ้กันนะไม่มีใครจะเอาประหลอดไปวัดจดในใจนั้นนะ่ะมีท่านกับคนอื่นเขานะ่ะใครรักมากกว่ากันอไม่มีใครที่จะ ประเมินกันได้ทุกองคอรักเคารพในองค์ลงตาท้งนั้นแหละหลวงพ่อพูดอย่างนั้นนะนานๆคงจะอยากฟังเหมือนกันมั้งทานอาหารกับฉันมาพระแรงแล้วนะเอาละพอแล้สิเจ้า